อาจจะสองซอนสามซอนหรือสี่ซอนเข้าไปถ้าบางคนนี่โกรธตัวเองมากในสุดก็ถึงกับเอารองเท้าผ้าตัวตัวเองหรือเอาหัวโขกเสาว่าทำไมคิดมากเหลือเกินนี่ซ้อนที่4เข้าไปอีกคือเผลอเผลอทําร้ายตัวเองทีแรกเผลอคิดตอนลังเผลอหงุดหงิดทีหลังตอนต่อมาก็เผลอโกรธตัวเองแล้วก็เผลอทํำลายตัวเอง4ซ้อนเข้าไปใหญ่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 การปฏิบัติทรรมหรือว่าการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีประโยชน์มากเพราะแม้แต่ขณะที่เราโกรธก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ขณะที่เราหงุดหงิดก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราเห็นความโกรธถ้าเราเห็นความหงุดหงิดนั้นหรือขณะ ท, ที่เราเครียดเราเห็นความเครียดอันนั้นก็ถือว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วแล้วมองให้ดีความเครียดนี้มันก็เป็นสิ่งเตือนใจเรานะ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 คร่ำครวรเมื่อเจ็บป่วยอันนี้ถือว่าขาดทุนแต่ถ้าเรารู้ว่าเขากำลังบอกว่าต้องปรับตัวปรับใจเสียใหม่อันนี้เราก็จะได้ประโยชน์เรียกว่าได้กาไรนี่คือเราวางจิตให้ฉลาดฉลาดในเรื่องของใจเราถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องยาก